เตรียมตัวกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งอะระหังสัมมาสัมพุทธพระขาวาพุทธพระขวาวันตังกราบพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าคือ สวัรข้าตพระขาวะธรรมโมธรมบางกราบพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าระจาคือสุปาติปานโนสวกาสวกะสังโค ส, สังคังนารรม พระสงค์เป็นที่พึ่งของการประจาคืนน้อมกายไหวนิดหนึ่งสาธุ